อยู่ไปทำไมคนที่บนอ ย, อย่างเนี้ยหลายคนก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรไม่ได้ถูกโรคร้ายนะกัดกินแต่ว่ารู้สึกว่าชีวิตมันว่างเปล่ารู้สึกเครงค้างแล้วก็คงมีปัญหาอ่นะ หลายอย่างรุมเร้ า, าเช่นปัญหาเรื่องการงานปัญหาเรื่องชีวิตในวันข้างหน้าอย่างมีคนนึ่งนะรู้สึก เ, เคร่งครัดแต่ก่อนก็ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นแต่มันมีความรู้สึกเครียดมากกว่าเพราะต้องดูแลแม่ที่ป่วย เป็นอัลไซเมอร์นานหนึ่งสิบปีตอนที่ดูแลแม่ก็ทุกข์เพราะว่าแทบจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองพี่น้องก็ไม่มาช่วยเหลือแค่ส่งเงินมาให้เท่านั้นเองตอนดูแลแม่ก็ทุกข์เครียด อยากจะให้มันตบ ต, ตกลงไปซะแต่พอแม่ตายก็ในความเพียดหายแต่ว่ามันรู้สึกเคว้งค้างว่างเปล่าเป็นความรู้สึกที่มาแทนที่ก็บ่นนะว่าอยู่ไปทำไมนะที่จริงน่าจะ น่าจะดีใจนะที่ว่าเออเรายังไม่เจ็บไม่ป่วยเออยังมีกินปัญหาแมจะมีเราก็ไม่ได้หนักหนาเหมือนคนที่เขากาลังเป็นมะเร็งหรือว่าคนที่เ็ากาลังจะล้มละลายถูกยึดบ้านก็วันๆก็บนอยู่ไปทำไมอยู่ไปทำไมแต่ที่จริงเขาน่าจะถามตัวเองมากกว่าว่าทุกไปทำไมทุกไปทำไมคนเรานี่ ถ้าถามอย่างนี้สักหน่อยมันก็คงจะได้คิดนะได้สติขึ้นมาความทุกข์ไม่มีใครชอบนะแต่กับจมอยู่ในความทุกข์คิดเลว่าไม่ชอบทุกข์แต่ชอบจมในความทุกข์ก็ได้มันก็แปลกนะในเมื่อไม่ชอบความทุกข์แต่ทาไมชอบจมอยู่ในความทุกข์แล้วก็หล่อเลี้ยงความทุกข์ โดยเพราะความทุกข์ใจเอาไว้ถ้าถามหน่อยนะว่าถามตัวเองสักหน่อยว่าทุกข์ไปทำไมมันคงจะได้คิดได้สติว่าเออเราไม่น่าจมอยู่ในความทุกข์เลยต้องหาทางะตะเกียกตะกายหรื อ, อสลัดมันทิ้งไปไอการตั้งคำถามเนี่ยสำคัญนะถ้าเราถามผิดนี่มัน มันพาไปผิดทิศผิดทางเลยนะเช่นพอถามว่าอยู่ไปทำไมหรือบนว่าอยู่ไปทำไมมันก็ชวนแต่จะให้นึกถึงการฆ่าตัวตายจบชีวิตแต่ถ้าถามหมายว่าอยู่ไปถามหมาว่าทุกไปทำไมมันก็ชวนให้หาทางออกจากทุก คนเรานี่ถ้าเราถามไม่เป็นนะมันความทุกข์มันมากขึ้นนะอย่างเช่นหลายคนเ็าท้วททำไมเขาไม่เข้าใจเราทำไมเขาไม่ใจไม่เข้าใจเราอันนี้เป็นความน้อยใจถ้าถามหมายว่าเออแล้วเราเข้าใจเขาหรือ ย, อยังมันกลับทำให้เรากลับมาทบทวนนะเออ เราเข้าใจเขาแล้วหรื อ, อยังเนี่ยเราแต่เรียกร้องให้เขาเข้าใจเราแต่เรากลับไม่พยายามเข้าใจเขาและเพราะการไม่เข้าใจเขานั่นแหละนะมันทำให้เราเป็นทุกข์เวลาเจอรถติดหลายคนก็มีความหงุดหงิดมากแล้วก็บนขึ้นมาในใจด้วยความไม่พอใจด้วยความโกรธว่าทาไมรถมันติดอย่างนี้วะ กูจะบ้าอยู่แล้วทําไมรถติดอย่างนี้วะแต่ถ้าเราลองถามมันว่าทําไมเราต้องทุกข์เพราะรถติดด้วยทําไมเราต้องหงุดหงิดเพราะรถติดด้วยอชีวิตวันวันหนึ่งแค่ทํามาหากินนี่มันก็เหนื่อยอยู่แล้วทําไมต้องมาซ้ําเติมตัวเอง ด, ด้วยการปล่อยให้ความหงุดหงิดนะมันคลองจิตคลองใจเรา บางคนเัาทวงทำไมเขาว่าเราทําไมเขาพูดอย่างนี้กับเราแต่ลองถามแล้วเออทาไมเราต้องทูกเพราะคำพูดของเขาด้วยถ้าไปถามว่าทําไมเขาพูดอย่างนี้กับเรามันก็จิตมันก็พุ่งไปที่คนนั้นแล้วบางทีก็อยากจะหาทางปิดปากเขาหรือว่ากาจัดเขาให้ได้ไม่มา พูดอย่างงั้นอย่างนี้อีกแต่ถ้าเราถามไปว่าเออทำไมต้องทุกข์ <c oughs> เพราะคาพูดของเขาอ่อมันก็จะนำไปสู่การพยายามแก้ทิตใจของเรามันก็เหมือนกับคนที่แบกหินเอาไว้แล้วก็รู้สึกหนักรู้สึกทุกข์ก็กรกโนว่าทำไมหินมันหนักแบบนี้วะ ทำไมหินมันหนักเหลือเกินให้บนแบบนี้มันไม่ได้ช่วยเลยเพราะวหินมันก็ยังเป็นหินอยู่ของมันอย่างนั้นแหละแต่ทำไมเราไม่ถามตัวเองว่าแล้วทำไมเราต้องแบกหินนั้นด้วยลองถามตัวเองสมัยว่าทำไมต้องแบกหินก้อนนั้นถ้าถามนี่ว่าทำไมเราต้องแบกก้อนหินด้วยทำไมต้องแบกหินก้อนนี้ มันก็ได้คําตอบเฉลยออกมานะว่าเออก็วางมันลงเสร็จนะ่าจะได้ไม่ทุกถ้าเราไม่ได้ทุกเพราะหินนะแต่เราทุกเพราะแบกอนนี้มันต่างกันมากให้ลองถามใหม่อย่าถามว่าทาไมหินมันหนักแต่ถามว่าทําไมเราแบกมันแล้วก็จะเห็นถนึงความสําคัญของการปล่อยการวาง มันถ้าถามถูกนะทางออกมันก็ปรากฏคำตอบมันก็เฉลยทำไมถึงแบกอ่ะคำตอบมันก็ออกมาแล้วว่าเออก็วางมันลงซะแต่ถ้าไปถามว่าทำไมหินมันหนักมันก็คิดแต่จะหาทางจัดการกับหินก้อนนั้นซึ่ง บางครั้งกลายไปเรื่องบ่อยครั้งกลายเป็นเรื่องที่ยากกว่าจะจัดการกันมันยังไงเจ้าอาสิวหรือเอาค้อนมาทุบให้มันแตกเหรอให้มันแตกเป็นก้อนเล็กๆมันจะได้เบาหรือก็ไปเรียกให้ใครต่อใครมาช่วยแบกกับเรามันจะได้เบาลงหน่อยมันก็วุ่นวายยุ่งยากอยู่เหมือนกันและบางคนก็ คิดถึงเรื่องการบนบานสารกล่าวขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นนะมาช่วยเสกเป่าให้หินมันกลายเป็นนุ่นอันนี้ก็ยิ่งเพ้อฝันนะกี่ปีกี่ชาตินะหินมันยังจะกลายเป็นนุ่นอันนี่ยคือถ้าถามผิดนี่มันก็คําตอบมันก็พาไปเข้ารถเข้าพงไปเลยแต่ถ้าถามถูกนะ มันก็ได้คำตอบที่ถูกซึ่งง่ายกว่านะก็คือวางมาลงซะงั้นการกลับมาการที่คนเราจะมาถามตัวเองแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องหมั่นกลับมามองตนนะอยู่เนืองๆกลับมามองตนแล้วนถะ้ากลับมามองตนนะมันก็มันก็จะได้ข้อคิดหรือว่า สิ่งที่ฉุกใจเกิดความสุกเอ๊ะขึ้นมาแล้วเคยมีคนถามหลวงพ่อคาเขียนว่าหลวงพ่อทํายังไงหนูเครียดจังเลยเข้ามาปฏิบัติได้หลายวันละปฏิบัติยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเครียดอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายคนหลวงพ่อท่านที่จะแนะนํา กลับพูดว่าเนี่ยถามไม่ถูกถามใหม่แล้วเขาก็คิดสักพักก็อคงถูกคิดขึ้นมาได้ก็เลยถามหลวงพ่อใหม่ว่าดูเห็นความเครียดมันเยอะเหลือเกินอทำยังไงดีจริงถ้าหากเห็นความเครียดว่ามันเยอะเนี่ยนี่พอแล้ว แค่เห็นนี่ก็ถือว่าทําถูกแล้วเห็นเยอะก็ดีเหมือนกันนะเห็นเยอะกับเห็นน้อยก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ขอให้เห็นกันแล้วกันถ้าถามว่าหนูเครียดจังเลยเนี่ยนี้มันมันเข้าไปเป็นแล้วแต่พอถามว่าหนูเห็นความเครียดมันเยอะเหลือเกินอ่าทํายังไงดีก็แค่เห็นนะพอแล้วบางทีความทุ่มคนเราเนี่ยนะ มันเริ่มต้นจากการที่ถ้าจะหาทางออกมันก็เริ่มต้นจากการที่ถามถูกถามเป็นเรือ ว, ว่าถามมาที่ใจของเราถามมาที่ตัวเราจะถามไม่ได้ม็ต้องหันมันมาดูใจบ่ยบอยๆมันดูใจต้องอาศัยสตินะสตินี่นมันเป็นตาในที่มาช่วยทำให้เห็นใจของเรา ใหม่ๆก็เห็นแค่ความคิดหรือเห็นแค่อารมณ์และความรู้สึกนะเห็นโดยเขาไม่เขาไปเป็นเช่นเห็นความเครียดนะไม่เป็นผู้เครียดใหม่ๆมันก็ยากเพราะความเครียดนี่มันมันจะคอยดูดใจให้เข้าไปยึดให้เขาไปเาไปกาะกลายเป็นผู้เครียดนะไอความทุกเนี่ยทุกชนิดเลยมันก็มีแรงดึงดูดมาก แล้วยิ่งทําเป็นนิสัยนิสัยที่ชอบเข้าไปเป็นเข้าไปเป็นมันก็เลยหลงทุกทีเครื่อเกิดขึ้นทีไรก็หลงทุกทีคือเข้าไปเป็นแล้วพอเป็นเมื่อไหร่ก็หลงแล้วกม็มีสตินะเห็นหรือสังเกตรู้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงเกิดขึ้น ไม่ใช่แค่ความคิดหรืออารมณ์แต่รวมถึงความรู้สึกสุขหรือทุกข์ด้วยนะเช่นแบกหินเนี่ ย, บบยมันก็รู้สึกเมื่อยรู้สึกหนักอารมณ์ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมันสังเกตเดี๋ยวนี้มีคนจานวนมากที่มีอารมณ์เกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นกับใจ เช่นนะมีความหงุดหงิดมีความเบือ่อมีความรู้สึกอ้างว้างมีความโกรธมีความกลัวมีความวิตกกมีความหงุดหงิดอารมณ์พวกนี้มันเยอะแยะที่สามารถเกิดขึ้นกับเราได้แต่ทีนี้คนจำนว ม, มากเนี่ยตอบไม่ได้ว่าตอนนี้กําลังรู้สึกอย่างไรคือมันรู้สึก ร, มรวมๆรู้สึกมันเบรอเบรรู้สึกว่าทุกข์ ตอบได้แค่นั้นอันนี้แสดงว่ า, าสติของเรามันยังหยาบอยู่ไม่สามารถแยกแยะอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้เหมือนกับตาในที่มันไม่ได้ฝึกให้มีความละเอียดแต่ว่าแต่ตาในแลนะตานอกเนี่ยตาเนื้อเนี่ยมันก็ฝึกได้นะอย่างคนทั่วไปในเวลาดูฟีเม็กซ์เลเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลย ไม่ว่าเป็นเอ็กซเรที่หน้าอกหรือเอ็กซเรที่ส่วนใดส่วนหนึ่งจริงส่วนที่เป็นหน้าอกนี่มันก็ดูง่ายเห็นง่ายเห็นกระดูกซี่โครงนะแต่คนที่ธรรมดาเนี่ยทั่วไปเนี่ยดูแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่หมอนี่เขาเห็นนี่เขาดูฟิล์มเอ็กซเรนี่ก็เห็นเลยนะเห็นปอด เห็นหัวใจนะเห็นเส้นเลือดนะไม่ใช่แค่เห็นแค่กระดูเห็นตับเห็นไตเห็นท่อน้ำดีมองเหมือนกันสิ่งมองสิ่งเดียวกันแต่ว่าคนหนึ่งมองไม่เห็นอะไรเลยแต่คนหนึ่งเห็นได้ทะลุปูโปรงเพราะอะไรเพราะตาเขาละเอียดนะซึ่งเกิดจากการฝึก นักวิจัยที่เขาติดตามสังเกตพฤติกรรมของเสือก็ดีของลิงก็ดีเนี่ยเขาสามารถที่จะบอกได้ว่าไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรตัวนั้นชื่ออะไรค่อยเห็นความแตกต่างของมันไม่ใช่แค่เพศนะแต่ว่าสามารถจะบอกได้เรียกชื่อถูกในลิงในฝูงมีสาสิบตัวก็ สามารถจะบอกได้ว่าไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรตัวนั่นชื่ออะไรให้เราดูมันเห็นมันเหมือนกันหมดเลยเขาแยกย้ยได้ไงว่าตัวนี้ชื่อนั้นตัวนั้นชื่อนี้เขาดูจากอะไรแล้วก็ดูจากหน้าตาดูจากร่างกายคนที่ศึกษาเรื่องเสือเหมือนกันนะก็สามารถจะบอกได้ว่าเสือตัวนี้เนี่ยชื่ออะไรเสือตัวนั้นชื่ออะไรให้เราดู หน้าตาเหมือนกันหมดเลยแต่เขาสังเกตจากลายนะลายลายพาดกรอนเนี่ยมันไม่เหมือนกันให้เราดูลายขอยงเสือมก็เหมือนกันหมดเลยนะดูหน้าเสือมก็เหมือนกันเลยอันนี้พราะเราไม่ได้ฝึกมาตาเราก็เลยหยากแบคนเมืองนี่เข้าป่านี่เห็นต้นไม้เหมือนกันหมดเลยอย่างมากก็แยกแยะได้แค่ว่าเออมันยืนต้นกับไม้ลม้มลุกแต่ชาวบ้านนี่ก็เห็น ต้นไม้นี่เขาเห็นความแตกต่างแต่ละชนิดแต่ละต้นทำให้เขาสามารถจะเดินทางไม่หลงป่าได้เพราะเขารู้ว่าถึงต้นนี้แล้วมันมีทางแยกไห้เรานี่ทุกต้นนี่มันคนทั่วไปจะเห็นเหมือนกันหมดเลยอย่างมากก็เห็นว่าเออสูงเตี้ยหรือว่าพร้อมเล็กหรือใหญ่ เห็นได้แค่ตั้งแต่คนที่เขาเป็นพ้านี่เขาเห็นแยกแยะได้คนที่เขาเก่งเรื่องผ้าเนี่ยเขาดูผ้าดูลวดลายต่างๆนี่เขาก็แยกแยะสีได้ละเอียดเลยสีกี่เฉดกี่เฉดนี่เขาสามารถจะบอกได้ให้เราดูมันก็เห็นแค่ดึกแดงเขียวเหลืองนะแต่เขาคนที่เขาชานาญนี่ก็เห็นเฉดของแดง เฉของเขียวเขยของเหลืองได้ละเอียดพ่าะอะไรเขาก็ฝึกมาหน้าตาไหนก็เหมือนกันนะมันถ้าไม่ได้ฝึกมานะมันมีอารมณ์เกิดขึ้นก็เห็นอารมณ์รวมรว ม, รมคลุมคุม แ, แยกแยกไม่ออกระหว่างหงุดหงิดกับโกรธหรือขุนเคืองหรือว่ากลัวหรือว่าเศร้านี่มันต่างกันยังไง เวลาถามรู้สึกไงตอบไม่ได้เพราะดูมันเบล อ, บ อ, บอมันมันรวมรวไมหมดแต่พอเราฝึกละเอียดนะฝึกสติมันดูดูใจบ่อ ย, อยมันจะเห็นแยกแยะความแตกต่างระหว่างอารมณ์ต่างๆได้หงุดหงิดคุณเครื่องโกรธแค้นเศร้าน้อยใจเหงาว้าวีเื่งคว้างวิตก กังวลหนักใจถ้ารู้แล้วมันช่วยยังไง ร, รู้แล้วมันก็ทำให้เราเห็นสาเหตุของมันได้ง่ายขึ้นนะเช่นทางหุดหยิดขุนมัวเอาคุณเครื่องโกรนเนี่ยเป็นเพราะมีอะไรมายั่วยุมีอะไรมากระแทกมีสิ่งที่ชวนให้ไม่พอใจนะมากระทบท่านะ ถ้าน้อยใจก็เป็นเพราะว่าไม่ได้สิ่งที่พึงปรารถนาไม่ได้สิ่งที่ปรารถนามีการเปรียบเทียบว่าเราได้น้อยเขาได้มากขอให้คนอื่นมากกว่าเราขอให้เราน้อยไปก็น้อยใจ เขาทำดีกับเราน้อยกว่าทำดีคนอื่นอันนี้ก็น้อยใจคือมันก็จะสาปบึงสายเหตุไม่มายเนี่ยก็สติมก็เขนแค่รู้ว่าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับเรามีความสุขอะไรเกิดขึ้นกับเราต่อไปมันก็จะเห็นว่าความสุขนั้นเกิดจากอะไรถ้าทุกข์เนี่ยมันทุกข์เพราะอะไร อย่างเช่นแบกหินเนี่ยนะทีแรกก็ก็รู้นะว่ามันเหนื่อยมันหนักเกิดทุกขเวทนาขึ้นต่อไปก็จะเห็นว่าอ่อไอ้ที่มันเหนื่อมันหนักเพราะไปแบกไอ้ตัวแบกนี่แหละคือสมุทรไทยพอรู้สมุทรไทยมันก็เห็นมักร์แล้วมันก็รู้วา่ามักรคืออะไรนะนก็คือวาง เ้าเรามหมันดูใจบ่อยๆมันก็จะเห็นสาเหตุเมื่อเห็นเมื่อรู้ว่าทุกข์มันก็เห็นสาเหตุของความทุกข์แล้วทางออกหรือสิ่งที่พึงปฏิบัติมันก็ปรากฏชัดนะผลที่ตามมาคือความพ้นทุกขนะ์อันนี้วันีิโรธให้หนะมันสังเกตดูใจของเรานะ มีความคิดมีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นก็มันดูไปบ่อยมันดูบ่อยสติเราจะละเอียดมันจะแยกแยกอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ในการเจริญสติเนี่ยโดยเพราะ เ, าเวทนานุ ป, ปัสสนาสฏิ ป, ปัฏฐานจิตตานุาน ป, ปัสสนาสติ ป, ปัฐานเนี่ยคือรู้เวทนารู้ใจเนี่ย ท่านก็ให้แค่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นก่อนสุขหรือทุกข์หรือว่าเฉยๆจิตมันมีราคะจิตมันมีโทสะจิตมันมีโมหะหรือเปล่าอย่งแค่รู้ว่าจิตมันเป็นยังไงแต่พอในระดับที่เราธรรมานุปัสสนานี้ก็จะเห็นแล้วว่ามันเกิดจากอะไรจิตมีนิวรไหม นิวรนั้นเกิดจากอะไรมีอะไรเป็นเหตุแล้วเมื่อมันดับมีอะไรทําให้มันดับก็ยกระสาวหาสาเหตุแห่งการเกิดนะและการดับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์กุศลหรืออกุศลอารมณ์อกุศลเกิดก็ดีถ้า เราเห็นนะในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยทุกอารมณ์มีค่าเสมอกันไม่ว่าจะเป็นความโกรธหรือว่าความยินดีความชอบความชังความกความดีใจความเสียใจมีค่าเสมอกันแต่ว่าถ้าเป็นสมถกรรมฐานซึ่งเน้นเอาความสงบ โกรธก็ไม่เอาง่วงก็ไม่เอานะราคาก็ไม่เอาจะเอาแต่สิ่งที่มันเป็นกุศลเช่นความสงบปิติอันนั้นเป็นลักษณะของผู้ที่ปฏิบัติสมถกรรมฐานแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาแล้วนี่ทุกอารมณ์มีคุณค่าเท่ากัน มีคุณค่าในการฝึกให้เรามีสติหรือฝึกสติให้มันทำงานได้ฉับไวโกรธก็รู้ว่าโกรธอันนี้ดีแต่ถ้าสงบแล้วไม่รู้สงบอันนี้ไม่ดีรู้อะไรก็ดีทั้งนั้นรู้อะไรก็ดีทั้งนั้นคอยรู้ก็แล้วกันไม่ว่าจะรู้ชอบหรือรู้ชัง รู้กลัวหรือรู้ดีใจนั้นถ้ามันอารมณ์มันเกิดขึ้น บ, บ่อยๆกลายเป็นของดีได้เพราะว่าเกิด บ, บ่อยๆก็ทำให้เรารู้ บ, บ่อยๆรู้ บ, บ่อยๆเราก็จะไวต่ออารมณ์นั้นมากขึ้นจิตมันจะจำ หรือเห็นข้อมูลของอารมณ์นั้นเช่นลักษณะอาการต่างๆได้บ่อยขึ้นมันก็ฉลาดขึ้นตอนนี้เขามีการฝึกนะสอนสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะ AI วิธีการสอนเนี่ยปัญญาประดิษฐ์คือมันสามารถที่จะคิดเองแก้ปัญหาเองได้ คอมพิวเตอร์รุ่นปัจจุบันรุ่นที่เราใช้อยู่ส่วนใหญ่มันปฏิบว่าเราต้องสั่งนะมันถึงจะทำงานไม่สั่งมันก็ไม่ทําแต่ปัญญาประดิษฐ์นี่มันสามารถจะทํางานของมันเองได้เดี๋ยวนี้มันพัพฒนาจนทั้งสามารถจะเล่นเดีย๋ยว่าแต่หมากรุกเลยนะแม้กระทั่งเกมโกะนะซึ่ง ยากมากเนียมันก็เอาชนะมนุษย์ได้นะมันฉลาดกว่ามนุษย์เดี๋ยวนี้มันเห็นหน้าเห็นตาใครเห็นภาพใครแค่เห็นหน้าหรือเห็นภาพถ่ายนี่มันก็สามารถจะบอกได้ว่าเป็นเกย์เป็นโฮโมหรือว่าเป็นคนปกติหมายถึงลักษณะนิยมทางเพศปกติมันบอกได้แม่นกว่า กว่ามนุษย์นะถามว่ามันมันทำได้ยังไงมันทำได้เพราะมันมีข้อมูลเยอะยิ่งได้ข้อมูลเยอะเท่าไหร่นะี่มันก็จะยิ่งทำงานได้แม่นยำและเดี๋ยวนี้เนี่ยเนี่ยเขาก็เกรงกันว่าจีนนี่จะลดหน้ามากในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เพราะว่าจีนนี่มันมีข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์เยอะมากนะคนนับแปดรอยล้านคนที่ใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าอเมริกาตังสามสี่เท่า ข้อมูลที่เยอะๆยอะพวกนี้นะมันก็เอามาช่วยทําให้เ i นี่มันฉลาดมากขึ้นสามารถจะแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวมันเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผ่าตัดเรื่องการวินิจฉัยทางการแพทย์การวินิจฉัยโรคจิตโรคประสาทการบอกนิสัยการบอกแนวโนม้มความสนใจทางการเมืองแค่เห็นหน้านี่มันบางทีมันบอกได้ว่าเป็นอนุรักษ์นิยมหรือว่า เป็นพวกเสรีนิยมไอ้หน้าตามันบอกได้นะมันรู้ได้ไงเพราะมันมีข้อมูลเยอะเกี่ยวกับหน้าตาคนที่มีความพิจางการเมืองแตกต่างกันมันก็พอจะเห็นความแตกต่างทางหน้าตาของคนที่มีความพิจางการเมืองไม่เหมือนกันได้แม้เพียงเล็กน้อยมันก็จับสังเกตได้ไอ้เพราะมันมีข้อมูลเยอะนะธรรมะเดียกันเนี่ยจิตของเราเนี่ยสติเนี่ย ถ้ามันได้เห็นอารมณ์บ่อยๆเห็นอารมณ์บ่อยๆไม่ใช่ก็ไปเป็นนะแต่เห็นถ้าก็ไปเป็นนี่มันไม่ได้มันไม่ฉลาดคือมันมีแต่โง่ลงแต่ถ้ามันเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเนี่ยเช่นเห็นความโกรธบ่อยๆมันก็จะฉลาดแล้วมันก็จะรู้ทันอารมณ์นี้เวลาความโกรธเกิดขึ้นในใจแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็บอกเราแล้วเว้ยตอนนี้ใจไม่ปกติแล้วนะ คล้ายๆกับสัญญาณกันไฟนะป้องกันเพลิงไหม้มันละเอียดมากมันละเอียดมากมันไวมากเพราะมันรู้จักหรือมันเจอไอ้ความโกรธชนิดต่างๆอยู่บ่อยๆพอมันแค่วูบขึ้นมาเปลี่ยนกายขึ้นมาก็รู้บอกสติมก็บอกใจใจก็วางหรือ สลัดอารมณ์นั้นทิ้งเรียกว่าไม่เอาไม่เอางั้นไ อ, อ, อ, อความโกรธเอออารมณ์อกุศลต่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆมันก็ดีนะถ้าว่าเราเห็นมันมันจะสอนมันจะฝึกสติของเราให้ไวซึ่งก็จะทำให้รู้ทันและก็ ไม่ปล่อยให้มันมาควบคุมรบกวนรังควานจิตใจได้แล้วต่อไปก็จะเห็นมากกว่านั้นเห็นว่าเออมันไม่ใช่มันไม่เที่ยงมันไม่มันเป็นทุกข์ทุกข์ในที่นี้คือมันเสื่อมมันเสื่อมมันทนไม่ได้นานมันอยู่ไม่ได้นานแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา แต่ก่อนนี่ทันไวในเรื่องอาการของมันตอนนี้ก็จะไวเรื่องลักษณะหรือธรรมชาติของมันพอเห็นนะมันมาแต่ละคำก็สอนไตลักให้กับเราสอนสอนสอนย้ำย้ำย้ำจนกระทั่งปัญญามันมันเกิดขึ้นหรือแจ่มแจ้งตั้งมั่นมันก็ทำให้เกิดปัญญาถึงขั้น พาจิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่แม้จะปัญญายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่มันก็อย่างน้อยก็ทำให้เราเห็นสมุดไทยใช่รู้ว่าไอ้ที่เหนื่อยที่ทุกข์เนี่ยมันเป็นเพราะแบกหินนะไม่ใช่เพราะก้อนหินแต่เป็นเพราะแบกหินหินไม่ใช่สมุดไทยการแบกตั้งหากคือสมุดไทยมันก็วางเท่านั้นแหละ เหมือนกับร่างกายในร่างกายนี้มันเต็มไปด้วยโรคมันเต็มไปด้วยทุกข์แต่ที่เราทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะร่างกายมันเป็นทุกข์แต่ที่เราทุกข์ใจเพราะเราไปแบกร่างกายเนี่ยไว้ว่าเป็นเราเป็นของเราร่างกายเป็นของหนักอย่างที่แต่ร่างกายเป็นของหนักก็จริงแต่ถ้าไม่แบกเราก็ไม่ทุกข์นะอย่างที่เราสวดกันนะภารสุตคาถา การแบกของหนักเป็นความทุกข์ไอ้ของหนักนี่คือขันท่าขันทั้งาเป็นของหนักเนอการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกการสลัดทิ้งของหนักลงเสียเป็นความสุขไม่ต้องไปทำลายของหนักแค่วางมันลงร่างกายนี้นะมันเป็นของหนักแต่ถ้าไม่แบกก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์คือไม่ทุกข์ใจ แห้ความทุกข์กายยังมีอยู่เพราะเป็นธรรมชาติของกายแต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้ทรัพย์สินเงินทองเป็นของหนักต่อเมื่อไปแบกมันเอาไว้ถ้าไม่แบกนะมันก็ไม่ทุกข์นะถ้าแบกเมื่ อ, อไหร่มันกลายเป็นนายเรามันสั่งให้เราแบกต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่แบกนะเราเป็นนายมันเราก็ใช้มันเพื่อประโยชน์ของเราและประโยชน์ของผู้อื่น ทำให้เกิดนะกุศลธทราความเจริญงอกงามมากขึ้นเพราะฉะ น, นี้ก็อย่าลืมนะให้มันกลับมาดูใจรู้เท่าทันอารมณ์เรา บ, บ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเห็นทางออกจากรมหรือความทุกข์เหล่านั้นชานี้พือนทนนี้นะ